เพความเจริญในธรรมจะ ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมวรปโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องพระธรรมมาจากกัตันสูตรก็มาถึงประเด็นที่ควรจะเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือตอนที่ทรงประรกตะท่านปัญญวคีว่า ด้วยการปฏิบัติตามอาริมักโปรองแปประการจะทำให้สิ่งหนึ่งได้เกิดผุดขึ้นภายในประทยของพระองค์สงใช้คำบาลีว่าจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะปิญญายะสมบูตายะนิปานายะสังวัตติคำว่าจักขุกรณีแปลว่ากระทําดวงตา ให้เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์คำว่าโดวตาที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในสมัยเป็นเด็กแล้วก็ความที่ว่าพร้อมเบนจะพิธจักรสุดจรัสพิมลสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักจริงแปไปใจความว่าผู้เจ้าทรงสมบูรณ์พร้อมด้วยพระจักรสุทั้งห้าประการ ที่ปราศจากมนลถิ่นมีความผ่องใสจนถึงพระไทยมีความบริสุทธิ์หมดจดคำว่ า, าจากขุในข้อแรกก็คือดวงตาธรรมดาแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระเนตรทิ้งงดงามแล้วก็มีพลังอำนาจ มองอะไรได้แจ่มใสชัดเจนแล้วก็มองได้ไวแล้วก็ทรงมองเห็นอะไรได้ไกลแม้ด้วยตาเนื้อธรรมดานี่แหละข้อนี้ทรงแสดงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบริจาคดวงตาให้เป็นฐานซึ่งได้เคยประรบไว้ในวันก่อนว่า ความิด ข, ของสังคมเราปัจจุบันที่มีธนาคารเนื้อเยื่อมีศูนย์รับบริจาคเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆก็ไดยเจยควางหมอที่ดำเนินกิจกรรมส่วนนี้ว่ามันมีปัญหาที่ด้านความเชื่อของคนเรายือไปเกิดความเข้าใจว่า ถ้าไ ป, ไปบริจาคกา ว, วัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเกิดชาติพบต่อไปเนี่ยต้นเชไม่มีอยวัยวะก้อ น, นั้นเช่นบริจาคตานาตาจะบอดเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดที่หน้ามือเป็นหลังมือคือตรงกันข้ามเลยเพระเาะจากตัวอย่างของพระพุทธเจ้านั้นที่มีพระเนษในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการบริจาคดวงตาเป็นทานที่เรียกว่า ฐานะอุปบารมีและเป็นต้นนึ่งที่มีความแจ่มใสยอย่างนั้นตอนพระชนมายุน้อยๆเป็นยังไงตอนพระชนบรรษาแปดสิบก็เป็นอย่างไงและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมีพลังอานาจ๋ือท่านบอกว่าในที่ประชุมสง่งเวลาพระประชุมกันไปนร้อยพันเนี่ย เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยพอทุกรูปเห็นนี่ทุกทุกอย่างนี่เสียงเหมือนไม่มีเสียงคือเสียงจะเงียบแม้จะไอจะจามก็ไม่มีใครกล้าไอกล้จามออกมาแล้วเมื่อรับสั่งหรือทอดประเน็ดดูเนี่ยท่านเหล่านั้นจะสํารวมระวังจะมีความสงบสงี่ยมสูงขึ้นและท่านบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งก่อนเนี่ย ถ้าเหล่านั้นจะไม่มีใครพูดขึ้นมาประเนตมีความแจ่มใสมองได้ไวแล้วก็มองได้ไกลนี่เป็นคุณสมบัตินะคือยังมองถึงยุคสมัยปัจจุบันหบวแว่นตาอย่างเดียวเนี่ยมันยุ่งยากมากมายกาย ก, กองไปเอสงเงินเสียทองไปปพระเรื่องตาปพราะแว่นตาเนี่ยเปลี่ยนแว่น เยอะแต่ถ้าหากว่าเราบาเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้เกิดผลที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปวองกรรมมัชรูปคือรูปด้วยรูปที่สำเร็จด้วยผลแห่งกุศลกรรมได้ก็จะมีตาในแนวเดียวกับของพระพุทธเจ้าก็จะดีไม่น้อยแต่ประเด็นที่สำคัญที่มันเกิดผุดขึ้นไม่ใช่ตาเนื้อนะฮะ เขาเรียกว่าเป็นตาภายในจะมีจําแนกแสดงออกไปเป็นอีกสี่ประเภทด้วยกันรวมแล้วก็ห้ากับตาเนื้อตาต่อไปก็คือตาทิพเป็นทิพะยะยาอำนาจที่สามารถมองเห็นทุกส่วนของสากลแจักรกวาลเมื่อมีพระประสงค์จะมองก็จะดู ตามปกติแล้วพระเจ้าก็ใช้ที่ประจักษ์สุขว ด, ดูสัตว์โลกทุกเวลาใกล้รุ่งของแต่ละเช้าของแต่ละหัวรุ่งของแต่ละวันแล้วเกริ่นการมองผ่านบุคคลเหล่านั้นเข้าไปสู่วาสนาบา ร, รมีธรรมของท่านเหล่านั้นที่ได้สะสมอารมณ์มาไว้ในดิตการแล้วทรงกําหนดธรรมะที่จะแสดงแก่ท่านเหล่านั้นให้เหมาะควรแก่พื้นเพจริตัตยาสัยของเขา แล้วก็ทรงรู้ก่อนนะว่าผลมันจะเกิดขึ้นแก่คนเรานั้นในระดับใดเราจรึงเห็นว่าการทำงานของพระพุทธเจ้านั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่จริงสุก่อนหามคื อ, อย่างพวกปุราในชดินพวกกุุเวลากรสปะนาทีกรสปะขยากรสปะเนี่ยถ้าพูดถึงแง่ความจริงแล้วก็อยู่ใกล้กับที่สัสรุ น, นั่นเอง ท่านสาธุชนนี่เคยไปอินเดียก็คงจะไปที่อาสมของท่านรวมวลากัสปาก็พบว่าก็ใกล้กลกับต้นโพธิสัตว์ศุโรแต่ว่าวาสนาบา ร, รมีของท่านยังไม่ถึงปุเจ้าก็ต้องเสด็จขึ้นไปทางเหนือก่อนไปโปรดท่านปัญจวักคีซึ่งต้องเดินทางไกลราววมสองร้อยกว่ากิโลนะครับสองกว่ากิโลยุคสมัยปัจจุบันมันไม่แปลกอะไร แต่ยุสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เดี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าทรงรู้เห็นด้วยที่ประจักสุด้วยเปนเนที่เป็นทิพแล้วก็เรียงลำดับอะไรก่อนหลังในการเทศนาสังสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทแล้วก็ทรงมีปัญญาจักสุคือตาปัญญาที่ทรงประกอบด้วยปัญญาคุณอย่างยอดจริง ตีรโส่สรรเสริญพระพุทธเจ้ากันในบทธรรมวัชเ้าเนี่ยตอนที่นั่งราบพุทโธสุสุโธการุณามานาันโวแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็มีพระมหากรุณาดุจท่วงทะเลหลวงตัวพุทโธเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะเป็นผลมาจากปัญญา แต่ของพระองค์เป็นระดับปัญญาระดับสัสรูคือไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาระดับสัสรูนั้นเป็นปัญญาที่ทำลายอาวิชชาให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจวันก็ส่งรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการส่วนการเห็นอริยสัจทั้งสประการ น, นั้นเราก็พูดในรายละเอียดในช่วงหลังนะคร และประการต่อไปนั้นก็คือมีก็เรียกว่าพุทธจักษุตอตาประพระพุทธเจ้าคนนี้จะเป็นเหตุให้มองอย่างลงในรายละเอียดเวลาจะปลดคนเสด็จไปปลดคนสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ไปศึกษารายละเอียดที่เป็นภูมิหลังของคนหลอดนั้น้วย อินทรียะประโยชน์ปริยติยานอสิ ย, ย, ยานุสิยญาณแต่ที่จริงคือพระพุทธเจ้าประกอบทรงประกอบด้วยทศพลญาณนัน่นสิประการตอนในการเทศน์สอนใครแต่ละคราวเนี่ยทรงชายประญาไม่น้อยกว่าห้าญาณก็ดูฐานะอาถานะคือความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ คือคนบางคนนั้นมันไม่พร้อมครัคือจะเป็นยังไงก็ถื อ, อยังเป็นไปไม่ได้ในขนาด น, นั้นๆั้นแต่บางคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรียกว่าอภปสัมบางคนเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องรอเวลาก่อนหรือเราปัจจัยเสริมให้สนับสนุนซะก่อนแล้วก็ปล่อยท่านไปก่อนก็นี้พึงดูตัวอย่างว่าท่านพระฉันนาเนี่ย ซึ่งเป็นผู้รับชใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็เป็นสาชาติกันด้วยแต่ตอนเสด็จออกพนวดก็มีนายช น, นะตามเสด็จมาเพียงคนเดียวแต่ตอนนายช น, นะบวชตามเสด็จเนี่ยท่านก็เกกะอรารวาสประสมควรในฐานะที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับนักถือใคร ยกเว้นพระพุทธเจ้าพระงค์เดียวเพราะท่านถือว่าคนอื่นเป็นคนที่มาทีหลังท่านบอกว่าสาดิบุตรโมคคลลานะเป็นใครมาจากไหนในพระศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือพระลูกเจ้าของผมประธรรมพระรูกเจ้าของผมก็สดสู้มาแล้วก็ท่านทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเกษตรสวะลอยน้ํามาติดริมตล็ง วานท่านก็ไม่ยอมรับต้งถือใครแต่กับพระพุทธเจ้าแล้วจะเคารพมากยิ่เกรงมากพระเจ้าทรงรู้ว่ายังไงยังไงมันก็เอามาอยู่มันต้องรอให้เกิดสลดใจคือหลังจากรงนิพพานไปก่อนหรือกับพระคับประคองรักษาไว้คือไม่ให้ท่านไปทำอะไรผิดแรงๆผิดเล็กๆน้อยๆก็แก้ไขกันไปเรื่อย เดีก่อนที่จะเปนิพพานก็รับสั่งให้พระอนุลไปลงพรหมทันก็ไปช น, นะวิธีลงพรหมทันก็คือว่าท่านจะหกกรเมนดีลังกายังไงก็ว่าไปแต่ว่าคณะสงฆ์ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่พูดด้วยไม่สนใจด้วยแต่เอาจริงก็ไม่ทันได้ทำหรอกเพราะท่านขอเวลาก่อนสามวันแต่ท่านก็บรรลุมคุลเป็นพระหันได้ คนนี้เกิดจากอะไรเกิดจากก็เรียกว่าอินรียะประโยชน์ปริยติยานทรงมีพระปรีชาญาณอย่างรู้ความแก่ความอ่อนของอินทรีย์ของคนเหล่านั้นแล้วก็ดูถึงฐานะอะไรฐานะคือเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เพราะบางคนมันต้องรอเวลากันนานนะดีกว่าจะพูดจากันรู้เรื่อง นี้ก็ด้วยอาศัยพุทธิจักรสุขแล้วก็ทรงรู้ถึงวัสนาบารมีจริตัยญาสัยของคนเหล่านั้นระวังธรรมะมันสอดคล้องกับพื้นฐานของเขาใกล้ๆกับหมอรักษาโรคที่มองสมุทฐานของโรคอุ้มหลังของสมุทฐานได้ชัดเจนและกะวังยาสอดคล้องกัน คนป่วยก็หายวัธรรมมันจะมีลักษณะแค่กระยาเป็นโอสถที่ประเสริฐสามารถขจัดทุกภัยโรคแจ่สัตว์โลกได้วัตถ จ, จากพุทธจักษุนี่นเราเรียกอย่างหนึ่งเป็นพุทธยาคือเรื่องเป็นนั้นมากที่มือระดับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ทำไม่ได้คือไม่ต้องพูดถึงโูกอื่นนะ มันเป็นเรื่องเฉพาะพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะที่สามารถทำงานในประเด็นตัวนี้ได้ในจุดตัวนี้ได้เพราะทรงมีพุทธญาณอันเป็นพุทธจักสุแล้วก็ทรงสร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะในข้อต่อไปก็คือสมันตจักสุได้แก่ตัวสัพพัญญุตญาณ น, นั่นเอง คือเป็นผลมาจากการศึกษารูทรงอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม้ว่าอะไรก็ตามนะเมื่อมีพระประสงค์จะรู้ก็รู้แต่บางทีก็ต้อสั่งถามพระภิกษุถ้าถามมาทรงรู้ไหมจะจริงก็รู้นะแต่ว่าการถามนั้นนะเป็นการปรับบรรยากาศให้รู้สึกว่าอบอุ่นแนละเป็นกันเอง แล้วก็ฝึกกระพร้นั้นท่นกล้าคิดกล้าแสดงความเห็นกระตัดสินใจกล้ากราบทูลในเรื่องต่างๆ แ, แล้วก็แสดงความจริงใจออกมาจากนั้นพระเจ้าก็จะส่งแสดงธรรมะแก่ บ, บุคคลเราครันทีนี้จากสูตรเหล่านี้ยบางทีก็เรียกว่าญาณก็ได้คําที่ทรงใช้ตอนนี้จึงมีอยู่สองคำก็ได้จากคู่กริยาหนักกับนี พวกจะคุกดีพวกหยาดคดีนั้นมันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นแล้วไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนจากการอ่านจากการสุนทนาหรือจากการคิดเอาแต่มันเป็นผลรวมของจิตที่มีความสมบุกจากกิเลสในระดับต่างๆ แล้วยานหรือความรู้เหล่านี้มันเกิดผุดขึ้นในทรามกลางความสงบลงในสามัญชนทั่วไปเราก็จะเห็นว่าความรู้ในแนวนี้ก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของท่านได้เจ้นนั่งสงบสงบอยู่มีคนมาหาเนี่ยเรามองเห็นเราก็รู้ว่าเขามาทําอะไรมีโทรศัพท์คริง้งเราก็รู้ว่าใครโทรมีคนเคาะประตูเราก็รู้ว่าใครเคาะ ดูคนมาต้องการจะพูดอะไรในเรารู้ว่าเขากำลังจะพูดอะไรแต่เป็นการรู้บูบเดียวของจิตสำนวนฝรัง่งก็เรียก ว, ว่าจิตใต้สำนึกแล้ว่าทำงานในเวลาที่เหมือนกับอัตโนมันเหมือนประสาทอัตโนมัติแต่ของพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนี่ถ้านมียาดท่านมียาอย่างรู้เห็นทั้งความจริง ว่านวนลตาเหล่านี้ถ้าพูดถึงเราต้องการจะโดยเสด็จในลองสังเกตว่าตาปัญญาเราก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาอย่างน้อยแล้วทำอย่างไงว่าให้มีความคิดมันเป็นระบบมีกฎเกณฑ์มีหลักการในการคิดการพินิจพิจารณาปัญหาทาั้งหลายแล้วว่าสามารถใช้เหตุใช้ผลสอดคล้องกับ กรณีนั่นนั้นแต่เรามองสังเกตเหตุการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองเราปัจจุบันมันขาดผลยวย่รือว่าการประท้วงปิดถน น, นหรือการแสดงอะไรออกไปหรือสื่อต่างๆที่นำเสนอไม่ค่อยสำ น, นึกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปลำดับขั้นตอนต่างๆมันก็ไม่ถูก เส้นดำง ข, ข่าวเกี่ยวกับยา ก, กรรมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฆ่าเรื่องลักเรื่องเพศเรื่องสิ่งเสพติดอะไรตายนะฮะส่วนมากแล้วมันจะตัดสินไปเลยซึ่งกั้นตอนอยังอีกไกลนะฮะแต่ว่าสังคมก็ตัดสินไปจะทำลายคนดีในบ้านในเมืองเราเป็นจำนวนมาก นั่นก็แสดงว่าปัญญาเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสิ่งสื่อทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเรามีไม่ค่อยเข้มแข็งพอเป็นปนัญหาที่น่าห่วงใหญ่เพราะถาืนยังมีความเห็นในลักษณะนี้กันอยู่คือไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาเนี่ยนานไปเราก็เป็นอนานิคมทางจิตวิญญาณของฝรั่งต่างชาติ เดนนี่ลองสังเกตว่าค่านิยมสังคมภาษาอาหารการศึกษาระบบการปกครองบ้านเมืองอะไรต่อะไรก็ต้องไปมองฝรั่งและในสุดมันจะเกิดสภาพกวาง่ายกว่าหลังเหมือนกับสมัยที่ ประเทศจีนที่มีเขตเช่าของฝรั่งบ้างของญี่ปุ่นบ้างประชาชนจำนวนมหาลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของประเทศจริงๆแล้วก็ถูกสยกไว้ด้วยอำนาจของต่างชาติแต่ในตัวนั้นที่จริงเราก็แล้ไขได้ ที่มันแก้ไขยากนี่คือการที่เราภาคภูมิใจในการที่จะทําอย่างขวรังคิดอย่างขวรังพูดอย่างขวรังปกครองบ้านเมืองอย่างขวารังใช้วิธีการต่างๆรุนแรงแล้วก็พอเราใช้เนี่ยเราลองดังเกตมันเละเช่นสมมติเราปิดถนนเนี่ยคือขวรังเขาก็ไม่เล็กกันขนาดนี้ก็ไม่ได้ปิดจนเละจนคนอื่นก็เดือดร้อนตัวบ้านผู้เมืองกันอย่างนี้เรื่องของคนเพียงหยิบมือเดียวท่านเองจะสร้างความเดือดร้อนแก่น ค, คนได้เป็นหมื่นๆ แต่ถ้าเราไปเชื่อมโยงเนี่ยฮะมันสูญเสียงเงินจาต่างประเทศในการท่องเที่ยวในระตระไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนั้นแสดงว่าปัญญาระดับมันไม่ต้องเอาระดับที่เรียกว่ารู้วิยสัตว์สี่หรอกแต่ว่าปัญญาที่รู้เหตุผลเนี่ยโดยเสด็จโดยเสด็จระดับปัญญาที่ใช้เหตุผลในการมองปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถมองสืบสาวจากเหตุไปหาผลจากผลไปหาเหตุ แล้วเมื่อต้องการผลน่าไรลในทิ้งเหตุมันมีอยู่แล้วไม่มีเหตุที่ต้องประท้วงแล้วก็ปิดถนนเลยนะเพรานี้กฎเกณฑ์มีกติกายอยู่ะอ้วเช่นสมมติว่าเลือกตั้งเราก็ว่าเขาไม่ทุจริต เ, เขาทุจริตเขทุจริตก็หาหลักฐานเนี่ยว่าเขาทุจริตนะพอหลักกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่มีใครทําผิดกฎหมายนอกจากว่าจะมีการพิสูจน์ ทดสอบกันไปจะถึงสารไปภาษาตัดสินถึงที่สุดเนี่ยความผิดมันจึงจะเกิดขึ้นเพนิ่งได้สันนิษฐานไปก่อนว่าเขาบริสุทธิ์ไม่ใช่สันนิษฐานไวว่าเขาผิดแล้วก็ตัดสินว่าเขาผิดไปเลยและเมื่อใครไม่ยอมฟังซึ่งเขาก็มีเหตุผลนาะที่เขาไม่ยอมฟังนะเราก็ไม่มีเหตุผลในการอธิบายแล้วก็ใช้อารมณ์แล้วว่ากวางง่วงคว้ดกา พิจนรน์หนทางหนทางคนป่วยก็มีคนแก่ก็มีผู้หญิงกำลังจะคลอดลูกก็มีคนแก่ป่วยหนักก็มีคนที่มีธุระด่วนต่งตางๆเนี่ยเรารู้ก็ได้อย่างไงคนในรถเนี่ยว่าเขากำลังจะไปไหนเขามีปัญหาอะไรแล้วก็มีสัก์สีอะไรมีศัก์มีสิทธิ์อะไรที่จะปิจาร น, น์สีภาษีมากกว่าคนอื่นได้ยังไง หรือว่าบ้านเมืองนี้กินเฉพาะภาษีของเราแล้วเราก็มีสิทธิ์จะทำยังไงก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวไม่นี่วิธีของพุทธเนี่ยในด้านจักษุต่างๆนี่ทุกข้อเนี่ยเราไม่ได้เป็นขนาดพระพุทธเจ้าหรอกแต่เราโดยเสด็จรออยู่คนบาทพระองค์ได้ในกรณีของพุทธจักษุอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเข้าใจเข้าใจความรู้สึกนิคิดของกันและกัน แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตนให้ไม่เกิดเป็นความขัดแยง้งเอาระดับว่าอใจเขาไม่ใส่ใจเราอ่ะคิดระดับใจเขาไม่ใส่ใจเราให้ได้คือการใดก็ตามที่เราไม่ต้องการให้ใครทํากับเราในคนอื่นเขาไม่ต้องการให้ใครไปทำกับเขาเหมือนกัน ยังในกรณีที่เราปิดถนนเนี่ยมองกลับไปถ้าเราเป็นคนเดินทางแม่กำลังป่วยหนักกำลังจะไปโรงพยาบาลแล้วขับรถมาอย่างเร็วกลัวจะไม่ทันโรงพยาบาลแล้วมาถึงก็ติเดเงียเลยแม่ตายประเดี๋ยนไปไม่ได้นั่นคือความสูญเสียที่เขาไม่จาเป็นจะต้องสูญเสียอะไรเราขยายความสูญเสียออกไป เป็นบ้านาที่น่ารังเกียจมากนะฮะและมีอาการเหิมเกรีมขึ้นไปทุกวันเรื่อนก็นบ้านมืองไม่มีคือไม่มีแฝกปิดถนนก็นบ่อยจริงนั้นแสดงว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราไม่รู้จักคิดระดับสร้างสถานการณ์สมมุติว่าถ้าเราเดินถนนเนี่ยคนมาปิดถนนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราไม่รู้จักกันด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันด้วยนะ แต่เขาต้องมารับทุกข์รับความเดือดร้อนเพียงเพราะเรามีปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาส่วนตัวก็ไปสร้างปัญหาแก้คนอื่นเรานธรรมะเหล่านี้เป็นคุณระดับสูงแต่ถ้าคนมีจิตสำนึกที่จะหาประโยชน์แล้วเราก็สามารถโดยสิทธิ์รอ ย, อย่คนบาตได้ต้องฟังเป็นไรแต่รุรพวพ่อพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูนในธรรม มีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี